ออกภาษาลาพระเจ้าจริงๆเหรอลวงเลงๆๆลวงเลงภาษาเราก็ออกภรษาลาพระเจ้าดีไหมมวลาพระเจ้าลาพระเจ้ามันเป็นไรภาษาโบราณพระเจ้าคือพระุทธเจ้าเป็นมันได้บอกว่าลาไปทําอะไร เขาบอกาลาป่วยครับพอรู้เออป่วยนีไดลา้าลากริดแล้วไม่บอกจำนวนวันลาด้วยนะเออลาทาวนหรือเปล่ารู้ออกวัญชาลาพระเจ้าอย่าเพิ่งลาอยู่ใกล้พระเจ้าเอ า, าไว้ใกล้บรรดาใจเอาไว้เดี๋นี้จะลำบากนิดหนึ่งวิ่งไปวิ่งมา หลายที่หลายตางหลายจังหวัดสภาพร่างกายสังขารแต่กายังดีได้ไปดูไปเห็นอันไทยซาทุกสุขตุกสองสามวันในบานมาเรื่องเกิดเกยแจล้ตายมันเกี่ยวข้องกับพวกเราอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงในสองสัมวันวันก่อนเมื่อวานตัดผมมาบอกว่าลูกหลาน เพิ่งทำงานเพิ่งไปร่วมทอดกระถิ่นเพิ่งแต่งงานก็บลกูกลูกยังเด็กอยู่เลยลูกยังม่รู้ๆๆๆเรื่องราวยังไดบอกพ่อโกเฉันเลิกในสมองแตกเกิดทังในสมองมอดเาอาจจะให้พาได้จาะมันก็กลับมาก็เป็นเจ้าชาย ก็เลยปล่อยทานสภาพตอนนี้เห้นเาไปแล้วมาสักข้าวมือยแล้วเห็นไหมความตายมันเลือกวัยเลือกบกคุคคลเลือกเวลาเลือกสถานที่พวกเราถือโชคดีผ่านช่งนั้นมาแล้วเพิ่งไปจบแล้วก็ทำงานตักประมาณเท่าไหร่สามสบเต็นที่ก็เข้าไปแล้วเรื่องตาดูโลกกันสาสิบปีโดยประมาณ วเราถือว่าโชคดีแล้วก็ยังมีเยอะที่เราได้ยินได้ฟังอะ้โ Openajio ก็ปลอมก็หาตัวเองเพราะว่าธรรมะของพุทธองค์ใช้กับตัวเราเองไม่ได้ใช้กับคนอื่นมีเหมอน o p e a การปุกสติก็คือต้องการให้เราอยู่กับตัวเราเองให้มันมากที่สุดที่มากได้ คือให้เกิดการเรียนรู้ตัวเองให้มากที่สุดตัว น, นี้มันคือหลักการพตอะนั้นอยู่กับตัวเองคืออะไรอยู่กับดินน้ำไฟลมที่เราอือตัวเราอยู่กับกายอยู่กับรูปตัพิจรารณากายรูปนี้นามอันนี้ภาพรวมเลียกวามหาพุตธูรูปแบบว่ารูปใหญ่พุทธใหญ่มันก็คือดินน้ำไฟลมนี่แหละ ลวมรวมเร็วว่ารูปเรียกว่า ก, กายกายเฉยๆกายหยาบกายละเอียด <S <S เราจะอยู่ ก, กา ย, ยาบหรือกายละเอียดจริงๆเราก็อยู่ทั้งสองกายวันๆหนึง่งแต่เราไม่รู้ก็คือไม่มีสติก็คือกลางวันเราก็อยู่ ก, กายหยาบกลางคืนก็อยู่กักายละเอียดเราอยู่ทุกวันอยู่กักายละเอียดก็คือ ในขณะที่อยู่กับรายละเอียดกายาเราไม่รู้เรื่องแะตาหูจมูกแขนขาตาเราไม่รู้เรื่องโยูยกกย่กับรายละเอียดการละเอียดเกิดจากอะไรไตัวนั้นที่เราไม่รู้ที่เรายัางไม่เข้าใจเรายั ง, ยางมองภาพไม่ออกพอตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาคือประสาทรับรู้เละคือพัฒนาการรับรู้คือสุขทุกข์สบายไม่สบายไม่รู้ว่าพัฒนา ปติวโชคดี้ยังไม่ตายอันนี้เขาเรกว่าเกิดแล้วก็ดัก<ม>กลางวันนี้เกิดจังสรารพัดเกิดคือเกิดขึ้นกับตัวเราเองคือยังไม่รู้มีอะไรบ้างอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรต่อไปอยากจะอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะว่าใจแต่เรายังไม่เข้าถิมทำแต่เรามีสติสติก็นิดหน่อยๆ ไม่ใช่มหาสติอย่างครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นมหาสติแค่สูดลมหายใจเขาออกสติก็อยู่กับตัวแล้ ว, ลวนึกเป็นยังอยู่ประตูประตัวแล้วมีความรู้ทั้งหลายแหล่ที่มีอยูนะ่แค่นึกขึ้นมาก็ปรากฏออกมาแล้วนี่คือสบาว่าจะเป็นจิตของครูบาอาจารย์ส่วนพวกเราจิตมันไปอยู่ข้างนอกไปฝากของหวงังของฝั น, นลมลๆแรงๆความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่ง มันก็ปรุงไปตามที่มันเห็นแต่มันกระทบก็ชอบไปฝากเข้ามาไว้กับข้างนอกเหยียดตายเห็นรูปหูฟังเสียงเราก็อยู่อย่างนี้ตลอดแต่มาอยู่ข้างในคืออยู่ในตัวเราจริงมันน้อยก็จึงเป็นที่มากกว่าทำไมเราต้องฝึกสติเพื่อให้เราเกิดการเรียนรู้ตัวเองให้มันมากที่สุดเท่าที่มาได้มันงนันมันจะไม่ได้ไประโยชน์อะไรจ้ะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นที่อยู่ของ สติของเราเรือสติปัฏฐานก็คือเรื่องของกายนี่แหละเรื่องของเวทนาเรื่องจิริงจริงมันเรื่องเดียวกันมันไม่ได้แยกถ้าเป็นมหาสติแล้วมันเป็นเรื่องของแยกมันไม่ได้แยกเลยเหมือนจิตเราสงบเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรคือกายมันมันเป็นอันเดียวกันเลยจิดมีเรื่ดวงรู้คือความรู้อันนั้นผากระทบแล้วเกิดความรู้ทีนี้จิตเรายังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ใช่มาทติกำหนดแล้วมันรู้ได้เลย มันเลเป็นหาช่องทางที่เข้ามาข้างใ น, นเหมือนเอปรียบเทียบไอ้ฟังเหมือนเข้ามาเชียงใหม่สมมุติเป้าหมายจุ้หมายของเราก็คือจะไปวัดเจดีย์หลวงเีตุการเข้ามาวัดเจดีย์หลวงเข้าได้เลยหรือที่หลายทางหางโด่งก็ได้สันปะตอมก็ได้แดนกำแพงก็ได้แม่ริมก็ได้แต่ยังไงก็ต้องเข้าถึงเจดีย์หลวงนี่คือหลักน่ั้นกัน ฝึกสติฝึกสมาธิออกเราก็เช่นเดียวกันช่องทาง ท, างที่เข้ามารเราจะอะไรก็แล้วแต่เรี่ยวคำบริกรรมหรือวิธีการทั้งหลายเลเพราะสุดท้ายไปลายทางคือต้องเข้าเจดีย์หลวงก็เข้าถึงใจใได้ได้แต่นี้เราจังไม่ได้เข้าถึงใจใจมันไม่เป็นกลางในทุกเรื่องเราจะบอกเป็นอักติก็ดูเหมือนจะเป็นคําพูดที่มันออกทางร้ายจริงๆมันก็เป็นเช่นนั้น เพราะใจหั่งกับเเอียงกับเรื่องอะไรอันหนึง่งสิ่งที่มากระทบนั่นแหละคำว่าเอ็นเดียงก็เกิดชอบมัง่งไม่ชอบมัง่งเฉยๆมั่งขึไปผสมลงกับเขาแต่ถ้าแยกออกใจก็คือใจสิ่งที่รู้ก็คือสิ่ ง, ส, งสิ่งรู้ก็เรื่อสิ่งเรา ส, สิ่งที่มันกระตุ้นทําให้เกิดเราความรู้สึกนั้นแล้วก็ทําให้เราไปปรุงในสิ่งเหล่านั้นซึ่ขขงเ ป, ป็นรื่องปกติไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่รรเรื่งการผิดปกติหรือเรื่องธรรมะ จะปรปรุงแล้วมันก็มีที่สิ้นสุดน ะ, ะเป็นปัญนาปรุงมันจบไม่ลงมันจบไม่ได้จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องควบคุมกํากับดูแลให้อยู่ในอารมณ์ความรู้สึกในคิดปรุงแต่งเป็นอันเดียวกันของแต่เป็นเรื่องของการทำอารมณ์ก็ได้เอคืออารมณ์ความถั่หรือว่าทำให้เราจิตให้นิ่งหรือว่าดับไปเลย อ, อัปนาสมาธิคือพักไปเลยเหมือนเมื่อก่อนเรานอนหลับ ในระที่เรานอนหลับนั้นทําได้ไประโยชน์อะไรมันก็ไม่ได้แต่มันได้พักคือจิตมันได้พักเพราะนั้นสมาธิก็มีหลายระดับอาจจะเป็นช่วงนิดๆหน่อยๆคณิกาสมาธิูุกางกาเบว่าแต่ว่าสังเกตดูเวลาเราเราเพลียเราง่วงนอนเนี่ยสะประงกอนะนิดเดียวแค่นั้นนะนะตื่นขึ้นมาเอามันรู้สึกสดชื่นในขณะนี้ถ้าเราสังเกตว่าสติมันจะวิ่งกระหายกายก่อน มันจะรู้สึกกายถ้าเรามีสติพรในะคะมีสติความรู้สึกว่าเออรมณ์เริมันสดชื่นจะปีกระเป๋าดีขึ้นแค่นิดเดียวแต่ถ้ามันสงบไปมากกว่านั้นอันนี่ส่งมันจะขนาดไหนเดี๋ยวคนส่วนใหญ่ก็คือจะสเ ป, สปะสปาคือทำด้วยความอยากไม่ได้ทำด้วยความรู้ความเข้าใจต่า ง, งแล้วก็อยู่ความอยากนะความอยากเสร็จแล้วก็ยึด ยึดอันนั้นยึดก็คืออุ ป, ปาทานอยากก็คือตัญหาตัวร้ายทั้งนั้นอืแต่เราก็ไม่รู้กันอยู่ความยึดความอยากมันกลายเป็นพบเป็นชาติที่ตามมาก็เพราะนี่แหละก็จะอารมณ์ที่เราไปยึดไปอยากกับมันแล้วไม่สามารถที่จะตัดความยึดความอยากอันนี้นดนนนได้ก็เกิดหนึ่งก็คือต้นต่อคือที่มาของมนันแหล่งตัวกําเนิดอ่แต่ทําไม เรามาจากไหนมนก็ชีวิตของเราที่ได้ม า, มาจากไหนก็มาจากนี้แหละตน้นตอเริ่มตน้นแต่ว่าเราก็จะมาจะพูดเอาตอนชาติ น, นี้แท น, นั้นก็คือเริ่มต้นที่เกิดเราก็จะเรียนดวงดบว่าเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเพราะว่ า, าความรู้เราสามารถที่จะบอกกันได้สื่อสารกันได้แค่นี้ถ้าหลังไปกว่า น, นั้นคือย้อนหลังไปกว่า น, นั้นเราไม่มีควา ม, มพิเศษ ซื้ต่างกับครูอาจารย์หรืผู้จ้างภาษาวอกฐานสมาธิยันนับย้อนลังไปแค่กําหนดอุระจิตเดียวก็ย้อนหลังไปและพบลายชานั่นคือความรู้ความสามารถของแต่ความรู้พิเศษของแต่ละท่านแต่ก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเองอะไรก็ตามที่ที่เราเรียนรู้ได้ก็คือมาเริ่มต้นจากตัวเนี้คือเกิดแต่จากรัตตานาภพกัน พอจนนักแกนนักคุณทองแบบกระบวนการคืออะไรก่อนที่เกิดมาจากไหนตากอ น, นะอีมาจากนี้นนพระเจ้ากเรียงให้พวกเราดูให้เราไปศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทวิชาปัญญาสังขาราสักขยาปัญญาเขก็เรียงนะเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จริงเกิดเรื่องนี้ท่านพุทธทาสเอามาชี้แจงแสดงเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่ตโตเลยได้เข้าใจจริงๆแล้วมีมานานแล้วหลักการนี้มีมานานแล้มานก็อันเดียวกัน มันไม่ไดแตกต่างกันเลยเลยสรุปมันกำลังกายเวทนาจิตแค่นี้เองตนจะเรียกว่าอะไรเรียกว่ารูปเรียกว่านามมันก็คืออันเดียวกันเรียกว่าหาผลตรูปคือดินน้ำไฟลมตัวสิ่งเหล่านี้ใครเขาเรียกว่านี่คือรูปสุดท้ายคือดับอของว่าดับตั้งดอกเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเราเช็คคำสองคำก็ว่าใโรอก็ว่าในพานยังเข้าใจสับสนกันเช่นบางคนก็ เราเข้านิโรธก็ไม่รู้ว่าเข้านิโรธคือเข้าอะไรว่าออกจากนิโรธแล้วโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตเลยคนยุ่นบนเยอะกลับไปทําบนกันใหญ่โตว่ากายเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ถ้ถามผู้ที่เจ้าสอนคนยุ่งไหมแต่ถ้ากลับมาที่เดิมพูดทางตะนางกระฉามิี้ผู้เจ้าสอนทำมังตะนางกระฉามิี้ผู้เจ้าสอนอะไรภาษาวกสังฆตนางกระฉามนีม้สอนอะไร วันดีรอดในความหมายจริงกคือมันดับชั่วขราออกกวความหมายคาว่าดับชั่วคาวในทีนี้หมายถึงเราเห็นความเสื่อมของตัวเรานี่แหละคือเห็มันดับชั่วคาวสัวนิพพานนั้นมันดับถาวรแค่นี้เองเนี่ยรอ ด, ดับชั่วคาวเช่นในขณะที่เขาจิตเราเข้าในรอคือมันดับคือไม่สามารถทหยิบพวงแตงเอาไปขนมรายนี่คือดับชั่วคราวก็มันก็เอาเหินทับที่หาไว้พอออกมามก็เหมือนเดิม เพราะนั้นคนที่ออกมาจากนิโรธคือโอ้โหยิ่งใหญ่มากออกมาแล้วมันก็เหมือนเดิมอ่ะมันยิ่งใหญ่ยังไงมันมันดีมันพิเศษพิเศษตรงไหนอ น, นี้สำหรัพูดถึงภาพรวมภาพด้วยความเป็นจริงแต่คนส่วนให ญ, ญ่เขาก็ไปแตกตืน่นเพราะเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ลราพูดไงเขาไม่ปฏิบัติแต่สําหรับคนที่ปฏิบัติเรยจะเข้าใจหลักการนั้นมันไม่ใช่ยิ่งใหญ่โตอะไรเลยเรื่องปกติมันมีทุกวันสําหรับผู้ปฏิบัติแล้วมันนิโรธทุกวันถ้าเราเห็น ถ้าเรายังวันแต่ละวันเราไม่เห็นไปเห็นตอนปฏิบัติจะเป็นสองเดือนสามเดือนเจ็ดวันเดี๋ยวเข้านิโรธแล้วมันดับจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ดับก็คืออะไรดับ แ, แค่ไม่วุว่นวายกับทั้โลกเรียกว่าดับหรือเปล่ามันไม่ใช่ถ้าใจไม่ดับคือไม่สงบไม่มีทางทกินด้วันนิโรธแต่ที่เสนกันญ ท, ที่มันดับก็ตอบออกมาให้มันเห็นความเสื่อมของร่างกายของเราคือตัวกแก่เจ็บตายมันเสื่อมสภาพไป แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีความเสื่อมนี่แหละขึ้นในรูะขึ้นในรูปขึ้นอ่ะเกิดขึ้นตองอยู่แล้วระดับไปเห็นเลืขั้นตอนอย่างเนี้ยคำไม่ใช่ว่าเห็นดับเฉ ย, เ, ฉยเห็นการกระบวนการของเข้าเลยโอ้ร่างกายของเราเป็นอย่างนี้นะอย่างเช่นในตัวเราเนี่ยเอาไ ง, ไง่ายๆแด็กเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงมันเกิดดับทุกวันเช่นที่ใครอย่างเนี้ยก็ถูๆเข้าไปะมันก็ดับละมันกายเป็นที่ไขยย้ไปแล้ว ชำระเอาไปมันหมนคือดับนี่คือนิโรธแต่มันชั่วข้าวมันไม่ถาวอนหลายเรื่องที่เราจะใช้เอานิโรธไปแช่กระชิดประจำวันได้พอสามารถที่จะ ร, รับดับเรื่องไหนเรื่องหนึ่งให้มันกดปกติได้ก็คือวันิโรธคือดับแต่ก็พิธีการนี่นคือหลักเราก็จะคิดได้ในอริยสัจฉิคือทุกสุขานิโรธและกลับมาคือหนัานที่เข้าไปสู่นิสิตเรานั้นมันแล้วกรัตนทุกอย่าง อารมณ์ตอนที่ใจอะไรนั้นถ้าใครยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็จะไปโทษที่กายจะไปโทษที่รูปก็จะรูปก็โทษอะไรคือคุณก็ไปโทษดินโทษน้ําโทษลมโทษไปก็เหมือนกับเราโทษแผ่นดินโทษเชื้อปูนเชื้อไฟโทษลมอากาศโทษแม่น้ําของน้องกองบึง เปิด ก, กาก็จะเพลิดเขาก็ อ, อยู่ของเขาธรรมชาติของเขาดินอมันเป็นแต่ว่าพราะไม่อยู่ในตัวเราเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นว่ามันเป็นดินมอมเพลิดมันเป็นน้ํามอมเพลิดมัน เ, เป็นไฟมองมเพลิดมันเป็นลมนี่นี่คือปัญหาใหญ่ของพวกเราต้องบอกเป็นปัญหาปัญหาคือโจทย์คือโจทย์ที่เราจะต้องขบคิดไปหาคําตอบคําถามคือเราเราได้คําตอบหรือยังเราเห็นหรือยังเราตอบได้หรือยังเราแก้ปัญหาได้ ถ้าตอบไม่ได้ก็อยังแก้ปัญหาไม่ได้คือแก้โจทย์ไม่ได้มันแก้ไม่ได้มันก็เป็นปัญหาเหมือนเดิมมันก็เป็นยังเป็นโจทย์เหมือนเดิมเพราะมันไม่มีคำตอบอะนั่นแหละคือคำตอบของชีวิตการปฏิบัติธรรมคือเรามาตอบคำถามของชีวิตทุกคำถามแ้วมันจะมีคำตอบแต่ถ้าไม่มีคำตอบมันจะเป็นปัญหาชีวิตไม่กี่วันก่อนก็นข่าวก็ทำลายตัวเอง พ่อเขาใจผิดคิดว่าตายไปแล้วมันมันน่าจะปัญหาทุกอย่างน่าจะหมดเขาคิดตัวเองเขไม่คิดว่ามาเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมแต่ตัวที่มันไม่ตายคือจิตนะจิตมันไม่ต้งตอนมันฆ่าตอนเกิดสงครามเหมือนตอนนี้มันคาอธิตายตา ย, ตายมันคือคนมันไม่ใช่จิตแล้วจิตมันไปไหนจิตจิตมาอยู่ในสภาวะอย่างนั้นความกดดันความเครียด อย่างนั้นจิตมันจะไปยังไงจิตเตสังเกตเตจิตเตสังเกตเตจิตมาเศรมองมันจะไปไหนทุกกติปฏิการขาบอ ก, อ, อกไปทุกขเตมันจะไปคาดฟังหรือมันอะไปสงสยัยพอย่างนี้นถ้าจิตมาเศรมองอย่างหมายถึงจะออกจากร่างก็เหมือนกันจิตที่ไม่เศร้อมองมักไปสุขติแน่นอน สู้ก็เลยคือไปดีสมะมาณมันจะบอกไปสวรรค์ไปในพานไปนั่นไปนั่นคือไปดีคือไปในทางที่ดีประมายไปในทางที่ดีคือไปไหนเยเราเปิดเพี้ยไปฟังอยู่เสมอก็คืออย่างน้อยที่สุดก็คือมันไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนเดี๋ยวนะก็เป็นคนเพื่อให้มันทำควาเป็นมนุษย์เพื่อทำมนุษย์เปลี่ยนเป็นพระ้เป็นพระมันสูงอยู่ท่าทีสูงนะ อ้ S 1> <S 1> ที่มันกิดคืพยายามที่จะวนไปเวียมาอยู่นี่ให้มันน้อยคือน้อยพบน้อยชาติการเกิดก็ให้มันน้อยพบน้อยชาติให้มันน้อยที่จะทําท น, น้อยได้แต่เราก็วนไปเวียมาเป็นปันปันมาแล้วนี่กว่าจไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเพื่อเพียรไปฟังเหมือนครูอาจารย์ของพวกเราก็เช่นเดียวกันในยุค ข, ของพวกเรานี่แหละบอกเกิดสมัยพันพุทธกาลเลยนะแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันแต่มาได้ประโยชน์เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว มันไม่ไช่ธรรมาดาเพราะเนื่องจากไม่แค่เห็นแค่ผ่านแต่ไม่ได้ร่วมทาบุญไม่ได้ปฏิบัติได้เลยบางคนมีอาคาติได้ซ้ำไปพอนนี้มากลับใจที่หลั ง, งก็ยังรับอเนกสองค์อยู่แต่ก็ใช้เวลาเป็นพันๆปีนมะไม่ใม่ธรรมดานะมันจะดูนี่นะนเราอย่าประมาทว่าโอ้เราคําดีเราพอมันยังไม่พอเราทําขึ้นเองยังไม่พอ ทุกวันต้องท่องสำหรับ ม, มันไม่พอหมายว่าสติปัญญาเรายัางไม่พอที่จะสะมาที่จะหลุดพ้นฉลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ได้แล้วอย่าประมาทต่ อ, ตอโอ้ยังไม่มีเวลามีกแลเรา ม, มีโอกาสไม่มีเวลาคนที่เขาตายไปแล้วนั่นคือคนที่ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาอย่างเ้าพูดได้เต็มปากแต่คำว่าไม่มีเวลาจริงๆแต่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมมีโอกาสทุกวันทุกลมหายใจเขา้าออก เพราะฉะนั้นพวกเราก็จประมาณในชีวิตในวัยวันวันหนึ่งก็ให้สติของเราให้รู้เรื่องร่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรือสภาวะเรื่องธรรมอย่างนี้เป็นต้งก็เชื่อว่าสติปัฏฐานคือฐานของสติมันอยู่ในสิ่งเหล่านี้เราได้ประโยชน์แน่นอนาได้อ่านในทรงแน่นอนะแต่วันหนึ่งเพิ่เพเินไปเรื่อยจิตไปอยู่ข้างนอกอะไรก็ไม่รู้คือไปเสแต่สิ่งข้างนอก คือเอาชีวิตเอาความหวังไปฝากไว้ข้านอกมันจะไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้นผู้เจ้าของเราสอนเนี่ยไม่ใช่สอนธรรมดาสอนนักตีเกลียวจนตายลกโครงการชีวิตจริงๆผู้เจี่ยวเป็นนักเขียนโครงการเขาบอกว่าผู้เจ้าของเราเป็นนักเขียนโครงการที่ดีที่สุดในโลกโครงการน่าลายอะไรที่เราเรารู้ๆกันมาเขี่ยวกัตถุประสงค์ เหตุผลที่มีโครงการคืออะไรวัตถุประสงค์คืออะไรเป้าหมายคืออะไรผู้ร่วมโครงการคือใครระยะเวลาโครงการเท่าไหร่เป้าหมายแล้วก็ที่สำคัญคือใครใช้ใจ่ายงบประมาณกัรเงินงา น, งานแต่ผู้เจ้าโครงการเขาผู้เจ้านะ่ะไม่ได้ใช้อะไรสักบาทหนึ่งมีเลยใช้วัตถุดิบก่อนที่มีอยู่คืรูปร่างกายของเราเนะี่ยคือดินน้ไำไฟลมที่มันอยู่ผู้ร่วมโครงการคือสเตปีศาตาสัตว์ทั้งหลาย ระยะเวลาคือต้าที่เกิดจนตายมันชัดเจนแล้วแต่ในกรณีถ้ามีโครงการดีๆอย่างนี้แล้วเราไม่เข้าร่วมโครงการเราเฉยๆเลยๆมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างพระแม่กุบยาเราเข้าร่วมโครงการอันนี้ก็ะจะหลักกา ร, อรเอาผู้จับอุดมการ์คือสิ่งที่มันตั้งไว้อุดมคติสูงสุดคืออะไรเป้าหมายวัตถุประสงค์และพยายามที่จะเดินไปหาสิ่งเหล่านั้นคือเป้าหมายถ้ามัน ใก้ที่สุดทดี่ใกล้ได้คือทั้งชีวิตเลยเดินมาทั้งชีวิตมไหมถาเป้าหมายมันใกล้หรือยังถ้าอ่งนั้นลราก็ไม่มีเป้าหมายเลยชีวิตเป็นไปสเปะสปะพูดถางอะรก็อยู่ไปวันวันหาใจไปวันวันก็นจะไม่ท่าอะไรสุดท้ายก็หายใจทึบเดี่ยวคว้างอางบาอาจารย์ท่านว่าหาใจจะไมมีประโยชน์คือไม่มีสติเองหายใจเข้าหายใจอากรู้หายใจเข้าก็ไม่รู้หาจใจออกก็ไม่รู้ ก็ลยวอนอยู่ด้วกับปัสจักรสติอยู่ด้วยคำปัสจักรพระเจ้าก็บอกเปรียบเทียบให้ฟังชัดเจนนะว่ามันไม่ตายอะไรคนตายพวกมันจะไม่ได้อะไรคือได้ประโยชน์คนตายก็คือคนที่ไม่มีลมหายใจแล้วธาตุที่มีอยู่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยปัสจักรสติก็ระพุเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังคล้ายๆไม่ตายกับคนตายมันหนักนะถ้าเป็นคำพูนี่หนักนะแต่เป็นคำด่าเนี่ยหนักเลยนะ แต่เราก็ยังไม่รู้สึกรู้สามเก็่ยใช้ชีวิตจุติธรรมันอยู่แบบโลกโลกแบบสุดตรงสวนทางธรรมเราไม่ไม่ไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยรู้แต่ทางโลกมีตัวแต่วิชาส่วนจารณะเนี่ยเราไม่ค่อยได้เอาทุวนนี้จึงมีแต่คนใช้แต่วิชาคือความรู้ก่อนสมาธิธรรมเรียนมาประเด็นยติโทเอกแล้วก็ทํามหากินในสิ่งนั้นก็เรียนวิชาอย่าง แต่ภาษาทางธรรมเขาเรียกสัญญาคือความจำได้หมายรู้ก็เรียนรู้อะไรก็ทำมาหากินในวิชาหน้าที่การงานนั้นๆกฎหมายก็ทำกฎหมายไปค้าขายก็ขายไปเศรษฐกิจเศรษฐกิจสังคมก็ไปตางวิชาคือความรู้ที่เรียนมานี่ยอันนี้คือวิชาเนแต่จรณะเนี่ยมันไม่เกิดนะถ้าเราไม่ไปฏิบัติแต่ผู้เจ้าของเราเนี่ยเป็นวิชาจรณะสมปันโน พูดถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณนะคือความประพฤตินี่คือบุคคลต้นแบบถ้าเราจะมุ่งปฏิวิชาอย่างเดียวทุกวันนี้คืออยู่แบบโลกตะโกนงางส่วนต่างธรรมคือเจรณนะโลกก็คือสมาหาขี้เจรณนะความประพฤติความประพฤติกับ ม, ม, ม, มุ่งปฏิสติต้องเกิดสติให้ได้ต้องมีสติให้ได้ถ้ามันมากที่สติมาได้เพื่อให้มันเกิดปัญญา สติก็ต้อตามที่ปัญญาเขาเรียกสติปัญญาเมื่อสติปัญญาเ ก, กิดขึ้นแล้วเราจะรู้เห็นเข้าใจอดี๋ยวที่เราสวดสวดกันอยสเพสตาสร้างสรารตาภาวะเฟท่ต้องเที่ยวอยู่ในโลกน้อยโลกใหญ่ก็คือพบน้อยเพราะอยากจิตของเราสร้างสาตาภาวะเฟร่ดูอย่างงี้ไม่รู้กี่พบะกิชาัดมาแล้วเราเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวกันมานานแล้วไม่ใช่นักองเที่วยวนะ แต่ว่าถ้าเที่ยวมาในโลกนี้มันก็ดีแต่ถ้าไปเที่ยวโลกอื่นน่ยโอ้ลาบากนะแต่ไปเที่ยวของโลกของสัตว์เดรัจฉานนี่เกิดอะไรขึ้นแต่เป็นเทวดาก็ดีหน่อยแอทเทดดาไปสเสวยอย่างเดียวนะน้อยครั้งต้องเป็นภูษะ เ, เกิดขึ้นครั้งหนึ่งหรือพระอริยะสงฆ์เท่านั้นนะแต่ทั่วไปทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นการไปสเสวยเทวดาไปสเสวยบุญพวกนรกกราสวยบาป มันก็จะดลกันข้ามอยนี้จะไปช่วยบุญไปดีหน่อยแต่ถ้ามันหมดละ่ะเพราะมันหมดเป็นเนี่ยถ้ามันหมดเมื่อไหร่อาจจะนานหน่อยจะว่าการกลับเป็นการเสร็จสุดท้ายถ้ามันหมดแล้วไปไหนต่ออกลับมาที่เดิมไม่ไปไหนเพราะนักพรตงเราจรึงบอกว่าพบที่เราสามารถที่จะเลือกได้จริงๆขอให้เราตั้งจิตจริงๆยังทําอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ขอห้ตั้งใจตั้งความปรารถนาเอาไว้อ่าพยายามที่จะให้มันเกิดน้อยพบน้อยชาติให้มากที่สุดคือจิตใต้สํานึกจิตส่วนลึกมันจะได้จำอย่างนั้นมันจะไม่มีความรู้สึกความจําอันนี้อยู่ในจิตใต้สํานึกเลยจิตสำนึกมันสําคัญจิตของมนุษย์ก็คือจิตใต้สํานึกจิตสํานึกแล้วก็จิตเหนือสํานึกนี่คือประเภทของจิตจิตของตนของมนุษย์ จิตใต้สำนึกมันจะเก็บทุกอย่างอยู่ในนั้นที่มันไม่ได้ใช้ปกติแล้วมันจะไม่ได้ใช้มันอยู่ในใต้สํานึกมันจะใช้เมื่อเวลาจําเป็นจิตสํานึกกคือจิตทั่วไปเราจึงใช้คําว่าเอิมคำว่าสามัญสํานึกคือทั่วๆ่ไปธรรมดาเลยอะคนสามัญคนทั่วๆวไปแต่จิตประเภทหนึ่งก็คือจิตเหนือสํานึกอันนี้ต้องฝึก ฝึกก็คือฝืนถ้าใครไม่ฝึกถ้าใครไม่ฝืนจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้จิตเหนือสำเร็จจะไม่เกิดไสิ่งนี้จิตทั่วไปที่เราจําก็คือถ้าเป็นสมองคนในส่วนหลังส่วนกลางส่วนหน้าอันนี้เป็นทางการถ้าเรานั่งสมาธิเราเราจะสังเกตเห็นในเวลาแต่เทเรลี่กากันสมองสุดท้ายถอะ เวลากาหนดเวลาจิตมันจะถอนออกสารที่มันจะมันความรู้สึกมันจะรู้ตัวกว่ามันจะคลายความรู้สึกมันจะเกิดตัวนี้จะทายมาจิตส่วนจิตตรงกลางจิตตรงกลางมันจะไม่ค่อยมีความรู้สึกส่วนหน้าเนี่ยมันจะชัดเจนส่วนหน้าส่วนหลังชัดเจนที่สุดส่วนหลังทําหน้าที่อะไรสมองส่วนหลังที่จิตมันไปมันไปรู้สึกก็คิดปรุงแต่งกันนะสมองก็หลังก็คือมันเป็นจิตที่เรียกว่าสัญชาตญาณ สัญชาตญาณอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมีหมดอันนี้คือคนก็มีสัตว์ก็มีสัญชาตญาณเดียวนะแต่สมองส่วนกลางเนี่ยสัตว์ก็มีเหมือนมนุษย์คือใช้เหตุผลจิตใจชีช้ขวาใช้เป็นเหตุใช้เหตุเอเป็นผลแต่สมองส่วนหน้าเนี่ยถ้าไม่มีก็พูดง่ายคือปัญญาที่เกิดจงกกาปรปฏิบัติถ้าไม่เกิดจริงอย่านี้ มันจะเอามันก็จะใช้แคส่วนหลังคือท้ายทอยคือสัญชาตญาณเหมือนกับสัตว์เวลากินเวลาหิวเวลาต้องการเสพการอะไรสัญชาตญาณลุวนๆคู่ต่อสู้จะเป็นจะตายไม่เกี่ยวตกลุ้มกันอย่างนั้นมันไม่มีเหตุมีผลอะไรไงเพราะส่วนกลางมันไม่ต้องไปใช้ส่วนหน้ามันต้องไปใช้ใช้ของด้านหลังอย่างเดียวเนี้ มันก็ลงกินเสร็จแล้วก็ช่อยเหมือน ม, มีอะไรเกิดขึ้นท่ากันตายอยู่สุดท้ายเลือดเต็มบาก ม, มีอะไรเกิดขึ้นพวามสือนึกวันนี้ชื่อต่างกับพวกเราในทุกความแตกต่างเพรไะนั้นเวลาเรานั่งเลยเราจะเห็โอ้นี่คือคนแตกต่างหลังจากนั้นก็ส่วนกลางที่เหตุผลคือสมองส่วนกลางส่วนหน้าในสําคัญมากๆาเวลาจะกําหนดเพิ่มเราจะเห็นว่าความแตกต่างเห็นว่ า, อ, า, ยวาอย่างน้อยที่สุดถ้าถ้าคสังเกตเห็นความแตกต่างก็คือ ความเครียดเวลาคนาเครียดนี่หน้นาผากเราจะตึงแต่เราไม่รู้ตัวแต่พอคลายวัาที่จะรู้ตัวเออหน้าผากเรามันจะคลายตรงนี้เองที่บอกว่าใชรว่าถ้าใครฝึกแล้วจะให้แก่ช้าลงแก่ถ้าลงคือตีนกากเกิดขึ้นช้านั่นแหละเพราะว่ามันรู้ทันสมองส่วนหน้าสวนหน้าหน้าผ า, ากอันนี้ถ้าเราสังเกตมันจะเป็นอย่างนี้แต่นี้ถ้าใครกําหนดไห้เป็นจะกำหนดยังไงกันกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก เธอบอกกระโดลงหายใจแล้วไม่ใช่แค่อยู่ปลายจมูกอย่างเดียวพะปลายจมูกเราเข้าแล้วมันอยู่ตรงไหนมันถึงหน้าผากเป็นส่วนหน้าส่วนกลางถ้าถอยลงไปตลอดช่วงท้องมันก็จะพองก็จะยุบเวลาหายใจเวลาหายใจเข้ามันก็จะพองก็จะยุบอันนี้คือลมมันทําหน้าที่อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาพันการปฏิบัติคือมชื่อบอกว่าต้องการให้เราเรียนรู้เรื่องกายกายวิภาครือส่วนของกาย ว่ามันทำหน้าที่ยังไงเราจะเข้าใจาการทํางานของกายของเราเป็นยังไงคือรูปร่างกายทายํางานยังไงเสร็จแล้วเมื่อจิตมันสงบเราก็จะเรียนรู้อีกว่าจิตเยมันทานํางานยังไงมันจะเป็นประโยชน์เราสามารถที่จะาบังคับได้ทุกวันเราบังคับตัวเองไม่ได้ปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ตัณหาอกาทานสุด ท, ท้ายเกิดเป็นพุทธเป็นชาติชาติก็ตามชาติชราพยาธิมรณะสุด ท, ท้าย นี่โซกับปริเทวะก็จะตามมานี่นี่คือบริการนี่ทั้งหมดก็ถ้าจะเรียกเป็นไงก็อวิชชาปัญญาสังขารนี่คือหลักปฏิเสธส่วทนั่นแหละแต่เราไม่รู้ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ส่วอะไรเพราะนั้นแม้แต่การเกิดแก่เจ็บตายอย่างเบอเรายังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นคือไม่เห็นคุณไม่เห็นโทษประมาณในเบื้องต้นคือภาพรวมว่ามันมีคุณอย่างไรมันมีโทษอย่างไรเพราะเราไม่มีสติปัญญาเราไม่เคยคิดเลย ยิ่งไม่เคยอยู่เส้นมองยิ่งไม่เคยอยู่ในกระบวนการของพิธียิ่งลําบากลั้งปักมา ก, มากพอมากระทบหรือผัสสะเมื่อไหร่มันก็ไปไปตามสัญญาอารมณ์เที่เราทำได้คือไปตามสัญญาไม่ไปตามปัญญามันต่างกันเราใช้แค่สัญญาตัวนั้นมันก็จบแค่สัญญาคือจบแค่วิชาพดูดง่ายๆมันไม่จบชิจรณะนะคือการประพฤติคือการเรียนรู้มันไม่มีมันไ ม, ม่การเรียนรู้ เห็นแล้วก็เชยเหมือนเงืออะไรแต่ถ้าจิตที่เป็นวางได้อย่างนั้นจริงเป็นจิตที่ดีมากๆเลยถ้าเห็นปุ๊บเราวางได้เลยอเห็นว่าทุกอย่างขึ้นก็วางให้วางเร็วได้ที่สุดนั่นเป็นการดีที่สุดปัจจุระสงเกลินต้องการให้เราเรียนรู้เพื่อจติตตวางวางอารมณ์วางพัมอารมณ์นั่นแหละให้มันเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้เราฝึกทุกวันะต้องมีตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างนี้เลยว่าในชีวิตประจำวันพยายาม ทำหรือว่าควาเข้าแใจกับเสียงเหล่านี้มันไม่รวดเร็วมากได้เพราะะนั้นเวลานั่งเสียงไม่ใช่เ อ, อกแค่ความสงบอย่างเดียวไม่ไม่มงก์ปฏินั่งนานอย่างเดียวมันก็ต้องเกิดประโยชน์อะไรหรือสีชีพายเขาก็นั่งนานนะจิตวิานะหรือสีเขานั่งนานก็่าเราบางทีนั่งบนน้ำแข็งก้นหลุมฝังเขายังนั่งได้นะมันทาว่าหลุดพลไมาก ม, ม, ม่พลไม่เกิดปัญญามันแค่ดินมากบไปเฉยห็นมาทับไปเฉย พอออกมาหมายว่าจิตมันถอนออกมาเหมือนปกติเพื่อไปก็กําหนดอะไรไม่ไดอ้อันนี้คือโทษเชื้อต่างคนที่ฝึกจิตแล้วพอถอนออกมารับรู้ถึงบอกอยู่สุดว่าเกิดขึ้นรับรู้ตั้งอยู่พิจารณาเื่ อ, อ น, นี้แหละคือถอนออกมาแล้วให้รับรู้ร่างกายพิจารณาผนะู้คููกันไปไม่ใช่รับรู้อย่างเดียวแต่ไม่มีการพิจารณาเลยปัญญามันก็ไม่เกิดอารรับรู้ก็เกิดประโยชน์ก็ไม่ได้ครับจากการทเราเห็นเหมือนเราเห็นตาเห็นรูปเห็นแล้วเป็นยังไง ก็คิดต่อเห็นอะไรชอบไม่ชอบเฉยๆแ้วก็วาหงเขาอย่างนั้นการู้แลกวางอืหลักการเป็นอย่างทุกอย่างถ้าเป็นอย่างนี้มันก็แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือมันก็เกิดขึ้นแล้วกวางเขาก็อยู่ของเขาไม่เดือดอนดินน้ําไปเล้เเขาก็อยู่ปกติของเขานี่คือลักษณะจิตของครูบาอาจารย์เกิดขึ้นเร็วดับเร็วเกิดเร็วดับเร็วเร็วที่สุดเท่เร็วด้านยึกลายเป็นเรื่องปกติของท่านแต่กระทบหรือผัสสะแล้ว มันมีหมดอะโลคโกโลงแต่เกิดแล้วมันดับเร็วเกิดเร็วดับเร็วจนสุดท้ายคือสภาวะที่มันเป็นกลางจิตมันเป็นกลางจิตมันรับรู้เริ่มวางได้ทันทีเขาว่าเป็นกลางสภาวะจิตของผู้ปฏิบัติที่มีสมาธิก็เช่นเดียวกันแต่คนที่มีขนาที่มีสมาธิ่มันไม่รับรู้ข้างนอกขนั่นเองโดยเฉพาะจิตที่มันลึกมากเข้าไปยิ่งไม่รับรู้ข้างนอกันั้นมันก็จะไม่ได้ประโยชน์คือไม่สามารถจะละถอนปล่อยวางได้ พูดง่าคือไม่เงนไม่รับรู้ขันห้าเลยมันรู้แต่สภาวะใจอย่างเดียวมันก็ได้แต่เราต้องการให้รับรู้ธาตุสี่ขันห้าคือเป้าหมายหลักเพะนการพิจารณาครัเราก็มุ่งปฏิขันคือธาตุสี่คือดินน้ําไฟลมขันห้ารูปเวทนาที่ยั้งการวิญญาณแต่ละตัวแต่ละเรื่องคือกลายเป็นรูปเป็นนามแล้วก็ใช้ว่ากําหนด กำหนเพื่ออะไรก็ดเพื่อปิจารณาพิจารณาเพื่ออะไรพเพื่อแนวผู้ความละสอนปล่อยวางคือนิพิทาธรรมสังเวชสั่งเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นในใจแล้วมันเกิดธรรมะสังเวชไหมก็เห็นแล้วธรรมะสังเวชเห็นแล้วนิพิธาไหมนิพิทาไม่มีวิราฆะไม่ต้องไปพูดถึงแล้วขั้นตอ น, นมันไม่มีบอกวิราคะเป็นยอดแห่งธรรมวิราโคเสถโธธรรมะหนางัง วิราคะนะ่ะเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายเมื่อปฏิ จ, จากราคะอีกอย่างละนิพิทาวิราคะสันติ น, พ น, นิพานกลัมานิพานคือตะวอนนะไม่ใช่นิโรธมันคือดับาวพิุกาวมันกนละความหมายแต่ก็ยังดีเอันนี้ขั้นตอนเป้าหมายในการปฏิบัติการของพวกเรานั้นถ้าไมื่อเข้าใจหลักการนั้มันจะไม่สเสปซสปะการณ์กำหนดเพื่คือเป้าหมายคืออะไรต้องการที่มันจะบ ต้องการพิจารณาพิจารณาเรื่องอะไรเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมให้มันรับรู้ให้มันเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ให้ได้ในตัวเองนะให้ได้เพราะว่าเราเสียเวลาไปวันวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่โดยที่การรับรู้ในเรื่องของตัวเราเองเลยเรื่องคือรู้เรื่องหมดทั้งวันวิชาการวิชาเกินน่ะรู้เรื่องหมดวิชาธรามากันนะแต่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนไม่รู้เรื่องเลยอะไรว่าเสียประโยชน์ คือไม่ได้ประโยชน์จากการเกิดแก่เจ็บและก็ตายคือชาติชราพยาธิมรณะนั่นเองตัวขไม่เข้าใจขบวนการในเรื่องนี้เพราะนั้นการปฏิบัติตามของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสายไหนก็แล้วแต่ก็ฎอย่างไรก็แล้วแต่ถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องรูดวนามคือทาสีกันหานี้ได้ไม่ทิฐาที่ประสบความสำเร็จได้สุดท้ายเราก็ไปตามกระแสเหมือนทุกวันนี้ไม่ไปตามกระแสคนนั้นพูดดีอาจารย์หลวงพ่อหลวงพี่หลวงตาหลวงนะ ค น, นัองค์นี้องเห็นว่าตำนักนั้นดีตำนานนั้นไปกันไปทุกวันก็ยิงเยอะต่อไปของปลอมจีนหักขึ้นเหมือนสินค้าเหมือนสินค้าเลยเหมือนโลกเข้าเลยของแท้ของจริงมันจะมีน้อยแต่ของไม่แท้ของปลอมมันจะมีเยอะเหมือนสินค้าก็ง่ายเหมือนของเรียนแบบมันจะมีเยอะอะแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไปใช้พวกนะั้น ใช้ของเรียนแบบเพราะมันถูกมันประหยัด้อาใช้ตังค์แต่ของแท้ๆนะมันหายากเหมือนกันพระสมโอ้นครว่าอาจารย์ทั้งหลายแหลวก็จะเช่นเดียวกันเข้าลูกกันไม่ต่างกันเลยพทติแท้จเป็นวัติแท้จริงๆเป็นครูบอาจารย์ที่เราเพิ่งพาอะไรได้มันจะเริ่มน้อยลงนะลงพูดไปมันก็น่าอนาถนะต่อไปเนี่ยนะถ้าเรา ฟังอย่างนี้แล้วยังยังประมาทยังมัวเมงอยู่โอ้มันมันมันไม่ได้เพราะนั้นต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ขนาดนี้เป็นต้นไปทํำทุกวันมากน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้เราทําให้ทําทุกทุกวันทุกวันวันหนึ่งถ้าเราทําหมายถึงทําเป็นทําเป็นหมายก็ว่าเหมือนเราทําสิ่งของตลาดอะไเหมือนเราขับรถเป็นแล้วเราไม่ต้องพึ่งพาใครวัดตรงไหนเป็นตัวไหนพวกมาลเบรค เ, เรื่องคัาดเรารู้แล้วเวลาไหนเราควรจะเริ่มเวลาไหนคุณจะเบรกเวลาไหนคุณจะเร่งเราทนานบควรตัดสินใจคุณอื่ตัดสินใจแทนเราไม่ได้การปฏิบัติเหมือนกันเซนสมาธิปัญญาก็คืออันนี้แหละตัวไหนเราคุณจะเร่งตอนไหนเราคุณจะเบรกตอนไหนจะเริ่มเริ่มยังไงเร่งยังไงและเพิ่มยังไงหยุดยังไงอันนี้นี่คือ หลักการการทำศีลสมา ธ, ธิปัญญาถ้าเราจะเรื่อยๆเฉยๆมันขับรถไปเรื่อๆยๆอันนี้มันก็ชีวิตรเราไปเรื่อยๆเอยเรากงจินไปเรื่อยๆรถขายองค์มันชีวิตรเราเราก็ต้องเองว่าตัวไหนต้องปไหนควจะเป็นเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเราควรจตัวไหนคนจะเร่งตัวไหนคนจะทําให้มันเป็นมาตรฐานตัวไหนควจะเพิ่มให้นมากขึ้น ของเทียมันอยู่แล้วคือเร่งคือตัวสติปัญญาเป็นสิ่งที่เราจะต้องเร่งคือต้องเพิ่มความเร็วถ้าเป็นคำ ว, ว่ว า, วาเพิ่คมความเร็วนิดหนึง่งตุวสติปัญญาเพิ่มความเร็วนิดนึงเดี๋ยวไปเรื่อยเฉยไปเลยตอนนี้เราสตราร์ทแล้วคือเริ่มแล้วคือปฏิบัติแล้วต่อไปถ้าตอนไหนตัวมันเรา ม, มีไม่มีเวลากนนระตุก น, นั่นก็คือเบรกหยุดไว้ก่อ น, อนพักไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาก็พยายามเร่งต่อไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวันหนึ่ง เป้าหมายขา้างหน้ามันถึงแน่นอนนะจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่พวกเรานี่ยแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเป็นผู้ขับแล้วนะแต่ถ้าเราหยุดเราไม่ขับไม่ขับต่อไปคือไม่เดินต่อไปคือไม่ดําเนินต่อไปอปฏิปทานเราจะไปถึงเป้าหมายปลาทางได้อย่างไรเป้าหมายปลาทางข้างหน้าของเรามันยาวไกลว่าตาสงสารนี่มันนานมากถ้าเราไม่พยายามที่จะย่อย่นลงให้มันสั้น ลงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะโอ่ลาบากนะเพราะอาจารย์แต่และองค์สมมติว่าท่านไปแล้วท่านไม่กลับมาเหมือนพวกเราเองทําไงแต่พวกองคง์หลายท่านแล้วองค์ก็ยังไม่หมดกลับมาเพื่อมาต่ออีกเื่อมาต่อยอดอีกแต่บางองค์ท่านท่านไปท่านมาเราถ้าไม่มาหาเราอีกแล้วไม่อยู่พวกเราแล้วทํางาน่ไหมแต่ก็เคร่งคว้างเหมือนทุกวันนะหาที่พึ่งอะไรไม่ได้เพราะเราหมดแต่ประมาณอยู่แต่นั่นก็อันนี้คือ สิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้มัยประมาทในสิ่งเหล่านี้ก็ให้หนึกถึงคนของพระพุทธเจ้าคนของพระธรรมคนพระอริยสงฆ์เขาไว้ในชีวิตประจําวันชีวิตเราก็จะมีนที่พึ่งคือหลักหลักคิดหลักพูดหลักทำนี่แหละอืทาไม่มีอะไรนอกจากนี้คนที่ไม่มีหลักไม่มีรอยจิตก็เหมือนกันมันไม่มีที่เกาะมัน ม, มีที่ตั้งมันมีที่อยู่ไปเรื่อเยเปื่อยเหมือนทุกวันเนี้พอจิตเราไม่ไม่ตั้งอยู่กับสมาธินี่นะ ออกไปมันก็จะไปแล้วไปเลยไปไปตามสัญชาตญาณใน่ไหมอันนั้นไม่ใช่คนแล้วนะคือทั่วไปเขาก็มีที่เป็นสัญชาติจีนถึงเว ล, กนนล า, ากินอิ่มนอนหลับตื่นก็มาหากินกินเสร็จแล้วก็นอนพักเจ็บตามเขาก็มีเหมือนพวกเราหมดทุกอย่างแต่การดูปัจจกสี่ท่านให้เองที่มันต่างจากพวกเรามันมีบ้านช่องหอทํามาหากินมีอาชีพมีไรายได้ มันไม่มีอยู่ของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเจ็บเราไม่ศึกษาไม่รู้ไม่ทำเลยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่แปลว่า น, นี่อันตรายเป็นขนาดอันตรายมากๆเกนีอันตรายธรรนดาเพราะนั้นพวกเราเชื่อมัน่นเกินว่าระบาดต า, างนี้แล้วระบาดถูกทางแล้วเรามาดไกลแล้วอย่าไปหยุดอย่าไปเหลียวหลังมองไปข้างหน้าเป้าหมายลองรอเราอยู่ทําไปเรื่อยๆหมากน้อยไม่เป็นไร วันหนึ่งคณะเป้าหมายคณามันต้องถึงพวกเราแน่นอนอันอื่นคือสาระว่าพเราอย่าลืมว่ากายเวท น, นาจิตธรรมอยู่ในเราตัวเราทั้งหมดแล้วแต่หรือแต่สติปัญญาตอนนั้นที่เราเกิดขึ้นเพื่อให้เรามีสติคือระลึกนึกขึ้นมาไนดะปัญญาคือรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ให้เข้าอยู่ความปจริงของเขาเองจริงก็เป็นดินน้าเป็นน้าไปเป็นลมเป็นลมนี่คือความเป็นจริงแล้วก็วาง พอเป็นดีเปนหน้าเป็นเป็นเราคือจิตของเราไปต่อตจะได้แต่กอนดีๆประจุเอาไว้ในใจของเราเราก็จะเชื่อเ ป, ไป็นแปลดีในการฝึกหัดไปเดีไปทําจําสินเรานะเรามีผลแน่นอนมีผลทุกครั้งมากน้อยไม่เป็นไร <c oughs> ่ะไปคิดว่านั่งวันนี้นั่งแล้วไม่ได้อะไรเลยมันไม่ใช่นั่งแล้วได้อย่างน้อยสึกสินคือสงบกายสงบว่าจา่ามันได้แล้วแต่ใจมันไม่สงบไม่เป็นไร แต่ในขณะนั้นเป็นสินทันทีคือเราเป็นคนมีศินทันทีเอ่ยคนสินคือรู้จักทำถึงแม้เรายังไม่มีทำรู้จักทำก็ยังดีเราย่างสมนึกได้อย่างสมเนียกได้อย่างระมัดระวังได้คือสำเรลมได้แต่ถ้าเรามีตั้งต้นอย่างคือมีศินมีสมาธิมีปัญญาไม่ใช่แค่รู้จักศินรู้จักสมาธิรู้จักปัญญาคนละเรื่องต้องมีศินมีธรรมมีสติมีปัญญา เพื่อจะอยู่ปลอดภัยในโลกใบนี้ได้ขออนุโมทนากรณี้วกเราทุกคนที่ตั้งตีว่าทําจําริงเรามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นกําลังใจพวกเราทุกคนทุกครั้งอยู่ที่ไหนก็ทําได้ทีทํางานก็ทําได้อยู่ที่บ้านก็ทําได้เพราะใช่แค่เราหายใจนั่นเองไม่ได้ใช่อะไรมากมายเลยแต่ขอให้มีหายใจด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาอย่าไปใช้ก็ใช้ท่อยอย่าไปเจอการ เหตุผลก็คือส่วนกลางให้ใช้ส่วนนามั่งฝึกให้เกิดสติปัญญาเยอะๆเราจะได้รับอิสรจากการเกิดแ่เจ็บแล้วก็ตายในโลกใบนี้ก็ขอเราทั้งหลายได้ประสบความสุขความเจริญแบบโลกอาจจะระดับโลกอยู่ทั้งๆว่าจะเป็นระดับธรรมอาจจะระดัทั้งๆโลกและทั้งๆทุกคนทุกท่านเป็น